อาภารณะหามูลยะปฏติกัสนาธิว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อาภานเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้น ท่พระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วควรแก่อภ า, านต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักและถึงกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วเป็นผู้ควรแก่อภ า, านต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 แล้วให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนแล้วให้มาณัดหราตรีภิกษุทั้งหลายสงพึงช้าภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มาณัดหราตรีอย่างนี้ละถึงสงให้ละถึง มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสถติในระหว่างปิดไวห้าวันสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปักขะปฏิช น, นะอภานว่าด้วยอภานสำหรับอาบัติที่ปิดไวหนึ่งปักและกรรมวาจา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 สงฆ์จงอภานภิกษุอุทายีวิธีอภานและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงอภานภิกษุอุทายีนั้นอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่สัญญเจตนาสกวิสัตถิ ปิดไว้หนึ่งปักกระผมนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติปิดไว้หนึ่งปักกับสมส่งได้ให้ปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติปิดไว้หนึ่งปักแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไวห้าวัน กระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงส่งชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอสมโมธานบปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญญาจเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสมสงได้ให้สมโมทานปริวาเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญาจเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้คลรแก่มานัทต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญาจเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวัน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 สัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวัห้าวันกับสงสงฆ์ได้ให้สมุทานะปริวาสเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวัห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วจึงขอมานัทหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสมสงฆ์ได้ให้มานัทหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังประพฤติมานัท ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนกาสุกาวิสัถิในระหว่างปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงสงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกวิสัถิในระหว่างปิดไวห้าวัน กระผมนั้นขอสโมโอธานาปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อ น, ออนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสสติในระหว่างปิดไวห้าวันกับสมส่งได้ให้สโมโอธานาปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสสติในระหว่างปิดไวห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัทหกราตรี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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุขวิสสถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้สโมทานะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุขวิสสถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับกระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุขวิสสิในระหว่างปิดวห้าวันกับสงฆ์ สงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมท่านผู้เจริญกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วจึงขออัภานกับสง์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักกับสมส่งได้ให้บริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกาวิสัถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาท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 ภิกษุอุทยีนั้นขอสมุทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้วาวันกับสมสงได้ให้สมุทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญ ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้วาวันกับภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัด ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสถิในระหว่างปิดไวห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกกวิสถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสมสงฆ์ได้ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญ ญ, ญเจตนิกาสุกวิสถิในระหว่างปิดไวห้าวัน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 เพื่ออาบัตสามตัวกับสมสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสม สงฆ์ภิกษุอุทาญีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทาญี น, นั้นขอสโมโธาณปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงสงฆ์ได้ให้สโมโธานปริวาสเพ <Please. S 1> สื่พออาบัติตัวก่อนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกกวิสัตถิ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 ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วเป็นผู้ควรแก่อภ า, านต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกกวิสัถิในระหว่างปิดไวห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตัิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงสงได้ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสติในระหว่างปิดไวห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอสมโมธานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสติในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้สมโมธาณปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัติ ในระหว่างปิดไวัห้าวันแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัถิในระหว่างปิดไวัห้าวันกับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัถิในระหว่างปิดไวัห้าวันแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้ว ขออภานกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงออภานภิกษุอุทายีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักและถึงภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออภานกับสงสงอภานภิกษุอุทายีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอภานภิกษุอุทายี ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงแม้ครั้งที่สองเาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามเขาพะเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงภิษุทายีสงอภารแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สุกาวิสติ 2. ปริวาตว่าด้วยการอยู่ชดใช้อะคาสมโธาเนปริวาตว่าด้วยปริวาตประมวลค่าแห่งอาบัตเข้าด้วยกันสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สามวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สี่วัน อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้ห้าวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หกวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้เจ็ดวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้แปดวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้เก้าวันอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สิบวันภิกษุนั้นบอกแก่พิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันละถึง อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สิบวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใ ด, ดปิดไว้สิบวันทรงจงให้อัคคสมโมานะปริวาเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุนั้นวิธีให้ปริวาและกรรมวาจา ภิกษุทั้งหลายสงพืงให้อักคาสมุทานปริวาทอย่างนี้คือภิกษุนั้นเพืงเข้าไปหาสงโหมอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละถึงอาบัตหนึ่งตัวปิดไวสิบวันท่านผู้เจริญ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 คืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันละถึงอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตไดปิดไว้สิบวันพิสุชื่อนี้ขออักคะสโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตนั้นกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันสงเพึงให้อัคคสโธทานะปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิษุชื่อนี้นี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังคาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละถึงอาบัตหนึ่งตัวปิดไวสิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตไดปิดไวสิบวันภิษุชื่อนี้ขออบพขะสมุทานปริวาสเพื่ออาบัตนั้นกับสงฆ์บรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตไดปิดไวสิบวัน สงก็ให้อัคคสโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่พิกษุชื่อนี้บรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใ ด, ดปิดไวสิบวันท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อัคคสโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตไดปิดไวสิบวันอักคสมโมทานะบริวาทเพื่ออาบัตนั้นสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ สัพพะจิระปฏิชนนะอคสมโมทานว่าด้วยปริว่าประมวลค่าแห่งอาบัตที่ปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดเข้าด้วยกันสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันอาบัตสองตัวปิดไว้สองวันอาบัตสามตัวปิดไว้สามวันอาบัตสี่ตัวปิดไว้สี่วันอาบัตห้ตัวปิดไว้ห้าวัน อาบัตหกตัวปิดไว้หวันอาบัตเจ็ดตัวปิดไว้เจ็ดวันอาบัตแปดตัวปิดไว้แปดวันอาบัตเก้าตัวปิดไว้เก้าวันอาบัตสิบตัวปิดไว้สิบวันภิกษุนั้นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตสังฆาธิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันละถึงอาบัตสิบตัวปิดไว้สิบวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไร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 สงพึงให้อาคาสมุทานปริวาทอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงหมอุตรสงเฉวง่าข้างหนึ่งและถึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละถึงอาบัตสิบตัวปิดไวสิบวันท่านผู้เจริญบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมด กระผมนั้นขออัครสมุทนานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติเจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละถึง อาบัตสิบตัวปิดไว้สิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดภิกษุชื่อนี้ขออัคคสมโธทานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้านานกว่าอาบัตทั้งหมดสงพึงให้อัคคสมโธทานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงชงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อ น, นี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละถึงอาบัตสิบตัวปิดไวสิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไวนานกว่าอาบัตทั้งหมดภิกษุชื่อนี้ขออักขสโมะทานปริวาดเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไ ว, นา น, ดไวนานกว่าอาบัตทั้งหมด สรงให้อัคคสโมทานะปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับภิกษุชื่อนี้บรรดาอาบั ต, บตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อักคสโมทานะปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองสเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึง แม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดอัคคสโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้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 ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอาใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้มีความคิดอยงนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนไหนหนอ เราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงจึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สงเดือนกับสงสงได้ให้ปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปรือว่าคิดละอายใจว่าฉะไหนหนอเราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสง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 สรงได้ให้ปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแกนกระผมแล้วเมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริว่าคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้คิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสรกระผมนั้น จึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ ich ่งต bueno, ัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมเมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริว en. ่าคิดอาใจว่าชะไหนนอเราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้กระผมจะปฏิบัติอย่างไร ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้ป ร, รือว่าสองเดือนเพื่ออาบัติแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นวิธีให้ป ร, รือว่าสองเดือนและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสง์หอมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่ง กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสมกระผมนั้นจึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสม สงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมแล้วเมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริว่าคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนันหนาเราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้ กระผมนั้นขอปริวาสสงเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสงเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สงเดือนแก่กระผมเมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสสงเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงท่านผู้เจริญกระผมนั้นจึงขอปริวาสสงเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ ปิดไว้สองเดือนกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามพิสุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบได้ยติจตุตกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนพิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน ฉไนหนอเราพึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุชื่อนี้กําลังอยู่ปริวาาคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้คิดว่า เราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สงเดือนฉไนหนอเราพึงขอป ร, รือว่าสเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สงเดือนกับสงดังนี้เรานั้นจึงขอป ร, รืว่าสงเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปรืว่าสงเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สงเดือนแก่เรานั้นเมื่อเรานั้นกาลังอยู่ป ร, ริวาทคิดละอายใจว่า เชนไหนหนอเราพึงขอปรือว่าสงเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงพิสูจน์นั้นขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้ปรือว่าสงเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกกันลปรว่าสองเดือนเพื่ออาบัแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้ปรอว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกัสงถ้างพกัล้พึง้ื่าภอกษุชนื่อนี้รูปนี้ ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนพิกษุนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนันหนอเราพึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสมภิกษุนั้นจึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสมสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้ว เมื่อพิสุนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะ น, นหนนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นจึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เรานั้นเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริว่าคิดละอายใจว่าชไหนหนอเราพึ่งขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นนอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้ภิกษุนั้นขอปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นนอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือน เพืออ่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามเาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงปริวาสองเดือน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 เวมาสาปริวสิตพะวิธิวิธีอยู่ปรือว่าสองเดือนเพื่ออาบัตปิดไว้สองเดือนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัต ส, สังฆทิเศษ ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัต ส, สังฆทิเศษ ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราพึงขอป ร, รือว่าสองเดือนเพื่อ อ, อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสง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 ฉไนหนอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นได้ขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาทคิดลายใจว่าฉไนน์นอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสง ภิกษุนั้นจึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คืออาบัตหนึ่งตัวรู้อาบัตหนึ่งตัวไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่ภิกษุนั้นรู้ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาตรู้อาบัตแม่นอกนี้พิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คืออาบัตหนึ่งตัวรู้อาบัตหนึ่งตัวไม่รู้จึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่รู้ซึ่งปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่เราเรานั้นกําลังอยู่ปริวาตรู้อาบัตแม่นอกนี้ฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสองเดือนเพื่อ อ, อาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนกับสง ภิกษุนั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้2 2> สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนแ ก, ภกนน่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอ า, าบัตนั้นแล้วอยู่ปริว่าสองเดือนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้อาบัตหนึ่งตัวระลึกไม่ได้พิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่ระลึกได้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาตระลึกอาบัตแม่นอกนี้ได้ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่า เราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้อาบัตหนึ่งตัวระลึกไม่ได้เรานั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตที่ระลึกได้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาระลึกอาบัตแม่นอกนี้ได้ฉะนนเนาเราเพิ่งขอปริวาสองเดือน เพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์ภิกษุนั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริว่าสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวแน่ใจอาบัตหนึ่งตัวไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่แน่ใจปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวา DS, แน่ใจในอาบัตแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่า เราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวแน่ใจอาบัตหนึ่งตัวไม่แน่ใจเรานั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่แน่ใจปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับเราเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาตแน่ใจในอาบัตแม้นอกนี้ฉไหนหนอเราพึงขอปริวาสองเดือน เพื dead, friends, ini, ่ออาบัตแม่นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงพิกษุนั้นขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม่นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนนั้นพึงอยู่ปริว่าสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน ภิกษุผู้ควรแก่มานัดภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวรู้แต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้น เมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัติทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษามาถึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติอะไรภิกษุนี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติอะไรภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านภิกษุนี้ต้องอบาบัติสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือ <recuer> น <das çon> คืออาบัติหนึ่งตัวรู้แต่ปิดไว้อบาอบัติหนึ่งตัวปิดไว้โดยไม่รู้ภิกษุน <so cold. S 1> <min> ั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัติเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัติเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วท่านภิกษุนี้ต้องอาบัติเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาทเพื่ออาบัติเหล่านั้น ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่รู้แต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฟังขึ้นส่วนการให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ไม่รู้ปิดไว้ไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแกมานัดเพื่ออาบัตหนึ่งตัวภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัว ปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้แต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนกับสงเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้ ว, ว, มวเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพระโหสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัย ทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษามาถึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัตอะไรภิกษุนี้อยู่บริวารเพื่ออาบัตอะไรภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้แต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยระลึกไม่ได้พิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสมสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วท่านพิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย การให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ระลึกได้แต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฟังขึ้นส่วนการให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ระลึกไม่ได้ปิดไว้ไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานะัดเพื่ออาบัตหนึ่งตัวภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คืออาบัตหนึ่งตัวแน่ใจแต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไวสองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไวสองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาภิกษุอื่นผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาด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 ภิกษุนั้นขอปริวาสสงเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สงเดือนกับสงสงฆ์ได้ให้ปริวาทสงเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สงเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาทเพื่ออาบัตที่แน่ใจแต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฟังขึ้น ส่วนการให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ปิดไว้โดยไม่แน่ใจไม่ชอบทำความไม่ชอบทำย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเพื่ออาบัตหนึ่งตัว